และยังกล่าวถึงเหตุที่ออกไปจากทุกอย่างอื่นที่ยิ่งไปที่ทั้งทั้งที่ทมีอยู่เหตุแห่งเขตธรรมที่ออกจากทุกเนี่ยนะที่ยิ่งกว่าพรหมปฐมชาญภูมิยังมีอีกแต่ไม่รู้ตัวคิดว่าไม่มีอีกเนี่ยนะยังมีอีกธรรมที่ออกจากทุกเช่นทุติยชาญก็ดีกว่าะนะพรหมชั้นปริตาภาอ ป, ปมานาภาอภัสราก็ดีกว่า สถานที่ที่ท่านอยู่อ่างั้นน่ยพระปริตตะสุภาอ ป, ปมาณสุภาสุ ภ, สภกินหาก็ดีกว่าสถานที่ที่ท่านอยู่หรือแม้กระทั่งเวหภัณลาก็ดีกว่าพรหมปฐ ม, มชาญอยู่แล้วเนี่ยนะหรืออรูปประพรมทั้งหลายก็ดีกว่าพรหมปฐ ม, มชาญตลอดจนถึงอริยมรรคทั้ง4ีมม่มีโสดาปติมรรคสกธาคารมรรคอนาคารมรรคและอรหัตตมรรคผลของมรรคทั้ง4ี่และพระนิพพานที่ยิ่งไปกว่า โดยเฉพาะพระนิพพานเป็นธรรมที่ออกจากทุกธรรมะที่ดีกว่าประนีตกว่ายังมีอีกกลับยืนยันบอกว่านี่แหละเป็นที่ที่ออกจากทุกข์ไม่มีที่ไหนที่มันจะออกไปจากทุกข์ยิ่งกว่าที่นี่แล้วเนี่ยนะก็ก็เหมือนกับบอกว่าตัวยาก็ไม่ได้ดียาดีอะไรนะก็บอกว่าแม้ยาที่มีคุณภาพด้อยแล้วไปโฆษณาว่าดีที่สุดเนี่ยนะคุณภาพสูงที่สุดกินแล้วหายอย่างเดียว ที่จริงไม่ได้หายอะไรร้องแค่บันเทาชั่วคราวนิดๆหน่อยๆแค่นั้นเองพรหมโลกนั้นถ้าเทียบกับสังสารวัตแล้วเนี่ยนะเทียบกับการเวียนว่ายตายเกิดแล้วถือว่าน้อยถือว่านิดถือว่านิดเดียวเท่านั้นเองแต่ว่าพระกะพรหมเนี่ยสำคัญผิดคิดว่าพรหมนี่แหละเที่ยงพรหมนี่แหละยั่งยืนพรหมนี่แหละมั่นคงแข็งแรงไม่จุติไม่เคลื่อนอ น, นะเข้าใจผิด ทั้งงที่ทั้งเกิดทั้งแก่ทั้งตายทั้งไม่เที่ยงทั้งไม่ยั่งยืนทั้งไม่มั่นคงทั้งไม่แข็งแรงทั้งจุติและอุบัติทั้งที่ตัวนี้แหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่เป็นที่ที่ออกจากทุกข์ก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้ก็เรียกว่าตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาเนี่ยนะตกอยู่ภายใต้อำนาจของอวิชชาไม่รู้ตามความเป็นจริงทีนี้ตอนนั้นเนี่ยนะมาร มานเนี่ยเขาเขาติดตามพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดคือมานเนี่ยนะปกติเนี่ยเขาจะใส่ใจว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตำบลอะไรอำเภออะไรตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังทำอะไรอยู่ปั๊บมานคิดไปคิดมาอ้าตอนนี้พระพุทธเจ้ากำลังไปพรหมโลกนี่ไปชวนพรหมให้บรรลุเกินวิสัยเราไปหมดนี่สิเดี๋ยวเราจะไปแกล้งทาให้พูดอะไรให้มันผิดผิดเนี่ยนะ เรียก่าอะไรนะไปโปรยาพิษเอาไว้แบบนั้นเถอะเรียกว่าไปไปทำให้มันคลาดเคลื่อนนะก็อย่าคิดว่าทุกอย่างมันก็มีอุปสรรค น, นะมีคนที่คอยขวางแบบนั้นฮะแม้กระทั่งให้ทานก็มีคนอยากคอยขวางว่าอย่าให้ทา น, นง่ายๆนะรักษาศีลก็มีคนคอยขวางบอกว่าอย่าทําง่ายๆนะเจริญสัมมาทิฏิปัสชนาเป็นต้นหรือผู้ที่จะบรรลุมรรคผลก็มีคนคอยขวางนะี่ก็เลยเรียกคำ ม, มาร มารบอกเดี๋ยวจะไปให้เข้าใจผิดๆตลอดเวลาที่มารกล่าวทำรรมกถาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ยอมให้พวกพรมพ้นวิสัยเราไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดครองมารเนี่ยมีอำนาจเหนือพรมนะอย่าไปคิดมามานี่แม่เทวดาชั้นปรานิมิตแต่ว่าสวัสดีจะกินอานาจถึงพรมได้หรือมารนี่เขาไม่ทำรรนานู่นเขาไปถึงพร ม, มโลกมารก็เลยเดินแกะรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเออเทปเป็น ไม่ค่อยพบอ่ะ น, นะหายากที่เทวดาทั่วๆไปเทวดาชั้นกา ม, มาวาจรขึ้นไปจนถึงพรห ม, มโลกเนี่ยหายากก็มีมานี่แหละแหมกินอำนาจความเป็นใหญ่ของเขาเนี่ยคลุมไปถึงพรหมนในข้อ553พิกสษุูทั้งหลายครั้งนั้นมานผู้หลามกมานผู้มีบาปก็เลยเข้าไปสิงร่างของพรหมอแค่ดูนะควบคุมระบบความคิด ควบคุมระบบคําพูดของพรหมได้เหมือนคนก็เราเหมือนผีเข้าร่างทรงเป็นต้นเน่ยนะคิดดูนะมันก็บอกว่ามารยังสิงพรหมได้อ่ะไม่ธรรมดาก็เลยเข้าไปสิงร่างของพรหมปริสัชชะองค์หนึ่งคือมารก็ไปสิงพรหมปุโรหิตมหาพรหมเป็นต้นไม่ได้หรอกสิงได้แต่ปริพรหมมาปริสัชชาเนี่ยนะแต่ก็ถือสิงพรหมมาปริสัชชาได้นี่มันก็สุดยอดแล้วล่ะว่างั้นเถอะหายากพรหมก็ยังไม่สิงพรหมเลยมารสิงพรหมได้เนี่ยนะพอสิงเสร็จก็ กล่าวเนี่ยนะว่าภิกษุภิกษุเธออย่าลุกลานพระกะพร้มนี้เลยเนี่ยนะไปบอกห้ามพระพุทธเจ้าเรียกพระพุทธเจ้าว่าภิกษุภิกษุเธออย่ารุกรานพระกะพร้มนี้เลยภิกษุเพราะว่าพร้มนี้เนี่ยเขาเป็นเท้ามาหาพรรมนะเขาเป็นใหญ่ปกครองคณะพรรมเพราะเป็นมหาพรรมที่ปกครองอ่ามหาพรรมโปรฮิอับ ปุโรหิตพรมแล้วก็ปริษัทชาพรมแล้วก็ปกครองอย่างอื่นอื่นอีกและพรมเนี่ยนะไม่มีผู้ใดมาปกครองท่านท่านเป็นผู้ดูแลโดยแท้พรมนี่แหละคือผู้ทำสรรพสัตว์ให้ตกอยู่ภายใต้อำนาจพรมเนี่ยท่านเป็นอิสระพรมเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้เนรมิตสัตว์โลกเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้แต่งสัตร์เป็นผู้ใช้อำนาจ เป็นบิดาของเหล่าสัตว์คือทั้งที่เป็นพูดและสัมภเวสีเพราะฉะนั้นทั้งสัตว์ที่เกิดแล้วหรือกำลังที่จะเกิดทั้งพูดทั้งสัมภเวสีเขาเป็นบิดาเขาเป็นผู้ให้เกิดก็เลยเรียกพรหมลิขิตนะพรหมลิขิตพรหมบันดาลที่เราเรียกมาชอบมาคุยกันเนี่ยนะพรหมลิขิตพรหมบันดาลพรหมท่านเสกท่านสรรท่านปั้นท่านแต่งเราขึ้นมาอ่างนั้น เพราะฉะนั้นท่านคือผู้สร้างโลกผู้เนรมิตโลกพวกเราทั้งหลายเนี่ยที่เป็นๆอยู่เนี่ยเป็นลูกหลานของท่านท่านอภิเษกท่านสร้างพวกเราขึ้นมาทั้งนั้นหลยมันพราหมณ์ก็เลยบอกว่าพวกพวกทาตกรรมกรนะ่ะนะชั้นคนงานชั้นาธาตกรรมกรชั้นสูนเนี่ยสร้างเกิดจากหลังพระหลังหลังเท้าของพรหมเนี่ยนะพวกเขาเนี่ยโง่เกิดจากปากพรหมเนี่ยพวกพรามเนี่ยนะเขาเขก็ถือว่าพรหมเนี่ยอาศัยส่วนไหนเนรมิตพวกสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นก็ถือกันขึ้นมา พรม้มเข้าใจผิดเนี่ยนะที่เขาเข้าใจผิดทําไมรู้ไหมให้บริวาร น, นี่สิอับปโลกบริวาร น, นี่อภิเสกท่านขึ้นคือคือคนนั้นก็มายกแหมท่านดีเหลือเกินคนนี้ก็มายกท่านดีเหลือเกินพอยกไปยกมาเนี่ยนะพร้อมก็เลยลอยเลยก็เลยนึกว่าเป็นจริงเข้านึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างได้แต่พูดไปอย่างนั้นแหละบน่นบนไปอย่างนั้นแหละภิกษุนะนะไม่มานก็กล่าวกับพระพุทธเจ้าต่อไป มานี่ก็พอสิงพรมในะก็วังมังมาดใหญ่เลยนะภิกษุสมณะและพราหม์พวกก่อนท่านเป็นพวกติดินเกลียดดินเป็นผู้ติน้ำเกลียดน้ำเป็นผู้ติไฟแล้วก็เกลียดไฟเป็นผู้ติลมเกลียดลมเป็นผู้ติสัตว์ก็คือพูดเนี่ยนะเป็นผู้เกลียด พูดเกลียดพูดเป็นผู้ติเทวดาเกลียดเทวดาเป็นผู้ติประชาบดีคือมารแล้วก็เกลียดมารเป็นผู้ติพรหมแล้วก็เกลียดพรหมมรกคือไปบอกไปบอกไปยืนยันว่าดินน้ำลมไฟสัตว์เทวดาประชาบดีพรหมเนี่ยนะคือคือมารพรหมเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสมณะพรามเหล่านั้นเมื่อกายแตกขาดลมปราณแปลว่าเบื้องหน้าแต่กายเพราะกายแตก สัตว so ์พวกนี by, ้ก็เป็นส LI like ัตว์เกิดที่เลวโน่นเกิดในอบายเชียวนะภิกษุแม้ใครที่ไปบอกว่าดินไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาน้ําไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไฟไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยนะลมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพูดคือพวกเกษตรทีครืบดีเป็นต้นเนี่ยนะที่มีฐานะมั่งคั่งเป็นต้นบอกไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเทวดาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา มารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพรมไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพวกนี้นนะตกนรกกันหมดนะอันนี้มารเขาสิงสิงพรมันนะมาเทศให้พระพุทธเจ้าฟังเลยนะมันตรงกันข้ามสิภิกษุสมณะพราหม์พวกก่อนท่านพวกที่ชื่นชมดินเพลินในดินชื่นชมน้า เพลิดเพลินในน้ําชื่นชมไฟเพลิดเพลินในไฟเป็นผู้ชื่นชมลมเพลิดเพลินในลมเป็นผู้ชื่นชมสัตว์เพลิดเพลินในสัตว์เป็นผู้ชื่นชมเทวดาเพลิดเพลินในเทวดาเป็นผู้ชื่นชมประชาบดีเพลิดเพลินในประชาบดีเป็นผู้ชื่นชมพรหมแล้วก็เพลิดเพลินในหมู่พรหมสมณพราหมณ์เหล่านั้นแต่เอนะหลังจากกายแตกขาดลมปราณก็จะไปเกิดใน กายที่ประณีดหมู่สัตว์ชั้นดีเนี่ยพวกนี้มาเกิดในโพรหมโลกทั้งนั้นเลย น, นะเขาก็พูดพูดตรงข้ามกับพระพุทธเจ้าเลยใช่ัหมผู้ใดติดินน้ำไฟลมเป็นต้นติในวัตะเบื่อในายในวัตะผู้นั้นเขาก็จะพ้นจากวัตะบรรลุมักผลนิพพานธรรมที่สุดแห่งทุกข์มานเขาบอกว่าตรงข้ามโอ้ยมาเบื่อนายมาติดินน้ำไฟลมเนี่ยนะ ติขันายตนะธาตุเนี่ยติติสติเทวดาติมารติพรหมโอ้ยพวกนี้ไปอบายหมดเหมือนนน่ยมันต้องชื่นชมสิชมท่าสิชมดินเข้าไว้ให้มากชมน้ําชมไฟชมลมชื่นชมเพลิดเพลินอย่าเบื่ออย่าหน่ายเลยนะนะชื่นชมเนี่ยพบสามให้ดีๆนะนะชื่นชมมนุษย์ชื่นชมเทวดาชื่นชมมารชื่นชมพรหมเพลิดเพลินในวัฏตะให้มากๆแล้วท่านจะเกิดในพรหมโลกนะนะ ตรงข้ามเลยใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ใดอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายในวัฏฏะผู้นั้นจะทําที่สุดแห่งทุกข์ได้ผู้นี้ก็บอกแม่มันต้องเพลดิดเพลินในวัฏฏะสิเนี่ยจึงจะได้มาเกิดในนิพพานคือพรหมโลกก็เชื่อว่า น, นิพพานที่สุดแห่งทุกข์สถานที่ที่พ้นทุกข์ที่แท้จริงก็คือพรหมโลกเนี่ยนะเสร็จแล้วก็พรหมยังเตือนพระพุทธเจ้าเอออยมารยังเตือนพระพุทธเจ้าอีกนะในหน้า500ร้อยอขออภัยในหน้า443 มานเขาเตือนบอกภิกษุเพราะเหตุนั้นเราขอบอกกับท่านอย่างนี้อ่าเขาบอกกันนะก็คำสั่งนั่นแหละท่านผู้นิรุธเชิญเธอท่านจงทําตามคําที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านอย่าฝ่าฝืนคําของพรหมเลยภิกษุภิกษุถ้าท่านจักฝ่าฝืนคําของพรหมท่านจักมีโทษโทษจักมีแก่ท่านไม่ไคมคูกันหน้าดูเลยนะ คล้ายกใค ร, ใค ร, ใค ร, ใครที่เคยแบบไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่แล้วแหมเจ้าพ่อเจ้าแม่แม่คู่กันน่าดูเลยเนี่ยนะคล้ายๆแบบนี้นะนี่มารก็เหมือนกันมารสิงพรหมขู่พระบุตรเจ้าถ้าท่านฝืนคำของพรหมท่านจะมีโทษเปรียบเหมือนบุรุษเอาท่อนไม้ไล่ตีสิริที่มาหาเปรียบเหมือนบุรุษผู้จะตกเหวนรกชักมือและเท้าให้ห่างแผ่นดินเสียฉะนั้นเนี่ยเ คิดว่าเอามือปล่อยดินปล่อยอะไรเนี่ยเอามือปล่อยแผ่นดินเนี่ยมันตกลงเหวนะเนี่ยเหมือนกันนะไม่เกาะเชือกไม่เกาะอะไรมันตกถึงลงถึงเหวตกลงถึงนรกเจนะผู้นี้ทุกเชิญเธอท่านจงทําตามอย่างที่พรหมบอกแก่ท่านเท่านั้นท่านอย่าฟืนคําของพรหมเลยภิกษุท่านเห็นพรหม เ, เห็นพรหมบริษัทประชุมกันแล้วไม่ใช่หรือ อันนั้ดูซิเนี่ยพวกพรมทั้งหลายพรมมปริสพรมมปริสัชชาพรมมปุโรหิตามหาพรมมาดูพรมที่เขาชื่นชมพรมสิชีวิตของเขามีความสุขขนาดไหนนะนะท่านไม่ต้องการความสุขเหล่านี้หรือก็คือเขาขู่นะเขาขู่บอกว่าถ้าท่านเชื่อพรมแล้วท่านจะได้มาเกิดในพรมโลกถ้าท่านไม่เชื่อพรมท่านจะเกิดในอบายถ้าท่านยังยืนยันในลัทธิของท่านท่านเกิดในอบายแน่นอนเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างพรมที่เขานับถือพรมสิ พรหมมัธบริษัทพรหมปุโรหิตพรหมเหล่านี้เขาชื่นชมพรหมเนี่ยเข้าเป็นยังไงเขามีความสุขแค่ไหนเนี่ยนะเขาเขาเจริญงอกงามขนาดไหนถ้าท่านติพรหมนะท่านจะเดือดร้อนเนี่ยนะแหมว่าเตือนเตือนเตือนพระพุทธเจ้าหน้าดูเลยนะมานดูเหมือนดีเนี่ยนะแหมของพวกเราธรรมดาเนี่ยแหมพรหมพูดได้อย่างเงี้ยพรหมเตือนเราขนาดนี้ไม่รู้ตัวสั่นหรือเปล่าไม่รู้นะนะ ตัวซันหรือเปล่าก็ไม่ทราบเยนะเพราะฉะนั้นคือบางทีเนี่ยมันอยู่ที่วิจารณญาณเหมือนกันว่าวิจารณญาณแม่นยาขนาดไหนก็คือคำของมารเนี่ยนะคำของมารเนี่ยไม่ชอบผู้ที่ติดินน้ำาไาลมไม่ชอบผู้ที่ติิติธาตุตดินน้ำาไาลมต้องการผู้ที่ชื่นชมดินชื่นชมน้ำชื่นชมไฟชื่นชมลมก็แปลว่าต้องการชื่นชมผู้ชื่นชมทุกต้องการให้ชื่นชมธาตุสีอันเป็นที่ตั้งแห่ง ทุกท่าสี่อันนั้นแหละถ้าเป็นผู้มีบุญนําเกิดเรียกว่าสัตว์หรือว่าเครือหบดีเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าบุญตกแต่งดีก็เรียกว่าเทวดาเรียกว่ามารหรือเรียกว่าพรหมจริงๆก็คือทาสี่ถ้าหากว่าท่านเบื่อในในท่าสี่ท่านจะไปเกิดในอบายนะแต่ถ้าท่านชื่นชมท่าสี่ชื่นชมชื่นชมอสัตว์ทั้งหลายชื่นชมพบสและปฏิบัติตามถ้อยคําของท้าวมหาพรหมที่ที่พูดไปเนี่ยนะ เออท่านไปดีแนะ่ท่านจะมาเกิดในะพรหมมาโลกดูตัวอย่างพวกพรหมกันแล้วการเนี่ยนะแม่ถ้าหากว่าพรหมลงมาสอนเลยเนะี่ยพวกเราเนะี่ยกลับใจกี่คนนะทันทีเลยเนะีนะ อ, อ้าวพรหมท่านลอยมานะปรากฏรัศมีจวงจ้าเหาะมาเนี่ยชื่นชมดินเถอะเอ้ยแต่ท่านมีวิธีการที่พูดอย่างนี้นะบอกว่าวิธีคําใช้คําว่าชื่นชมดินเนี่ยท่านไม่ได้พูดคําว่าดินหรอกท่านหยิบยื่นให้เพชรเราก็มานั่งอ่านแล้วพระตราวิดอกก็นั่งดูนะั่นแหละแปดเหลี่ยมใช่ไหมเราก็วิธีชื่นชมพรหมเนี่ยนะ วิธีพรมที่เขาจะแนะนําให้เราชื่นชมพวกดินน้ำํำไฟลมก็ไม่ได้แบบแม่เนี่ยดินมันดีอย่างนั้นดินมันดีอย่างงี้ไม่เขาบอกว่านี้นะเอาแบงค์มากรองเรียงแล้วเราจะนับแบงค์หรืออ่านเปิดหน้าพระไตรปิกเนี่ยนะหรือไม่เราจะเรียกว่าเอาพลอยเอาเพชรแมสีต่างๆมาวางเต็มหน้าเราไปหมดเลยเราจะทายัางไงเอามันคือคือพูดถึงว่าหลักการเนี่ยไม่ใช่ว่าแหม่เอาเนี่ยดินนะ แต่ว่าอันนี้เป็นสำนวนที่รู้กันว่าทั้งหมดนี้สำหรับผู้ที่มีปัญญามีปริญญามีปัญญ า, ญญารอบรู้นะมันจะวิจิตพิสดารรัตนะพิปรณีตขนาดไหนมันก็คือธาตุดินน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยนะถึงผู้ถึงผู้คนทั้งหลายจะมีอำนาจมีบุญนำเกิดเป็นต้นขนาดไหนมันก็คือ ก็คือพบสนั่นแหละการมาพบรูปประพบแล ะ, ะรูปประพบมันสิ่งเหล่านี้เป็นวัตฏะผู้ใ ด, ดเพลิดเพลินในวัตฏะผู้นั้นก็ไม่พ้นจากวัตฏะผู้ใ ด, ดเพลิดเพลินในกองทุกผู้นั้นก็ไม่พ้นไปจากทุกตรงกันข้ามผู้ไหนผู้ใดปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายในทุกผู้นั้นเขาก็จะพ้นทุกหลักการก็เป็นอย่างงี้แต่มาเนี่ยผู้ตรงกันข้ามเนี่ยนะ